อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนกับการเจริญสติเมื่อปฏิบัติถึงขั้นรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวคุณก็จะเริ่มรู้ขึ้นมารางว่ากายนี้ไม่ใช่ความบังเอิญความรู้สึกว่ากายเป็นตัวคุณตัวคุณมีอยู่ในกายนี้คือก้อนมืดก้อนโมหะอุตัน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 กับทั้งเป็นที่ตั้งของเจตนาคือกรรมใหม่เวียนไปเวียนมาไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหละุดจากความไม่รู้ไปเสียได้